ขาตัพปะจะวิปัระนาติีตี <c oughs> วันนีจ้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับปาาปฏิบัติหัวข้อทั้ง เรื่องวิปัสสนากรรมฐานกรรมฐานเป็นธรรมนำไปโส่ความสำเร็จมรรผลธรรมวิเศษก่อนเอิญคอยทุกท่านจงนอมกายว่วจจเละจิตใจลงบูชาคน อันพิเศษของพระสัมมาบัทธเจ้าตลอดถึงพระธรรมและพระสงฆ์ว่าแมพระเมนีพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอรังหันดับเพลิงทุกเพลิงกิเลส ได้โดยสิ้นเชิงสัศโรชอบได้โดยพระองค์เองเทพร้อมไปด้วยวิชาและจารณะต้องเะด็บไปดีแล้วท้องโูแจ้งโลกเป็นผู้ฝึกบุคคลที่ควรฝึก ไม่มีผู้อื่นใดที่จะยิ่งกว่าเป็นพรทธา ร, าราดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระผู้มีประภาคเป็นพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติธรรมอันเปนเกิดแปดหมื่นสี่พันพระธรรมกัน ที่ย่อลงรว่าสวากาตาธรรมคืืธอทมที่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นจัดไว้ดีแล้วไพระในเบื้องตนในท่ากลางและที่สุดสมบูรณ์บริบูรณ์ไปด้วยอัถะพยัญชนะบริสุทธ บาริบณ์ครบทุ่นผู้ใดปฏิบัติตามธรรมของพระองค์โดยไม่เลือกการไม่เลือกเวลาจะมีดวงตาเห็นธรรมผู้มีดวงตาเห็นธรรมควรเรียกพระท่นทั้งหลายจงมาดูเถิดผู้มีดวงตาเห็นธรรม เป็นผู้ทังหกปรากฏแล้วเป็นผู้ไม่โลเลไม่เหลวไหลเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้มีปัญญาที่เรียกว่าวิอญูชนเพื่งรู้เฉพาะตนสาวกของพระพุทธเจ้าหมู่ใด ภปฏิบัติดีแล้วสาวกของพระพุทธเจ้าหม牟ใดภปฏิบัติตรงต่อธรรมและวินัยสาวกของพระพุทธเจ้าหมู่ใดปฏิบัติธรรมเพื่อจะออกอยากพุกสาวกของพระพุทธเจ้าหมู่ใดภปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม นั่นคือสาวกของพระพุทธเจ้าสีู่คแปดอธิยบุคคลควรแก่การต้อนรับควรแก่การคำนับควรที่จะนำเครื่องศั ก, กริมาบูชาควรไหว้กราบบูชาควรตัวายทักสีนาทานถือว่าพระสงฆ์เป็นนาะ คือที่พึ่งเป็นเนื้อนาบนญท่ไม่มีนาบนอื่นใดที่จะยิ่งกว่าทั้งสามรัตนนีเป็นที่พึ่งอันอุดมอันกระเสรมอันประเสริฐไม่มีที่พึ่งอื่นใดที่จะยิ่งกว่า พุทธบริษัททั้งหลายการจะบำเพ็ญกิจกรรมใดๆควรที่จะรำลึกถึงคนของพระพุทธเจ้าคนของพระธรรมคนของพระสงฆ์การบำเพ็ญกิจกรรมนั้นจะดำเนินไปด้วยดีและสำเน็จเทียบรอยบริสุทธ เพราะเป็นที่รวมของบุญของกุศลของมองคลและสิริทั้งหลายการที่เราจะปฏิบัติธรรมหรืองควาธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้รวบรวมสติทั้งสามประการนี้เพื่อพุทธานุสติสัมมานุสติ และสังขานุสติระลึกตึงคนพระพุทธเจ้าคนพระธรรมคณของพระสงแล้วตั้งใจไม่ดึงลงในการที่จะวังธรรมท ำ, ำสรนทำพระพุทธศาสนาก็อย่ารู้แจ้งแทงตลอดซึ่งพระสัตธรรมของพระองค์คานจเจริญ พระกรรมฐานจะเป็นสมถะกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานได้เบื้องตน้นทุกคนจะต้องสังวรระวังให้ดีเป็นพิเศษการสังวรระวังดีเป็นพิเศษพระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงอนโมทนาะ ท่องสาธุยินดีทำเหล่าใดที่พระพุทธเจ้าทรงอนโมทนารสาธุทำเหล่านั้นนับว่าเยี่ยมที่สุดดีที่สุดประเสริฐที่สุดพระพุทธองค์ยังอนโมทนาแล้วพระองค์ยังทรงตรัสว่าอามิสสะบูชานั้นที่อยู่ แต่ไม่ดียิ่งปฏิบัติบูชาดียิ่งเราจะถาคตจึงยอมรับบูชาการปฏิบัติบูชาคือการเจริญสติการเจริญสติต้องสำรวมระวังดีเป็นพิเศษที่พระองค์ทรงจัดว่า จัคโคจะสังวโรตราทุสาธุจักโคจะสังวโรการระวังตานั้นดีแล้วดีแล้วในการระวังตาถ้าระวังไม่ดีจะเกิดบาปข่ากุศลืค อ, อาะพิชชาและโทมนัดชอบครรมได้ ระวังตานั่นดีแล้วดีแล้วในการระวังตาโพตาะจะสังวโรสาธุสาธุโตตะเะสังวโรระวังหูนั่นดีแลวดีแล้วที่ระวังหูถ้าระวังหูไม่ดีจะเกิดปอบอกุชน เพื่ออาภิชาและโทมนัสชอบกรรมได้รักษาหูนั่นดีแล้วที่แล้วในการรักษาหูาณะจะสังวารุสาทุสาธุกาณะจะสังวารุขนะะัรขนะระวังรักษาจมูกนั่นดีแล้วดี่แล้วในการระวังรักษาจมูกถ้าระวังไม่ดี จะเกิดบาปอาคูชนเพื่ออาภิชาและโทมนัสครอบครองได้รักษาจมูกนั้นดีแล้วดีแล้วในการรักษาจมูกเชี่ยวไหวจะสังวโรูสาธุสาธุเชี่ยวไหวจะสังวรูวะวระวังรักษาลินดีแล้วดีแล้วที่ท่านทั้งหลายระวังรักษาลิน ถ้าระวังไม่ดีจะเกิดบอกอาโกสนคืออภิชาและโทมนัตชอบความได้รักษาลินนั้นดีแล้วดีแล้วในการระวังรักษาลินกายะจะสังวโรสาธุสาธุกายะจะสังวโร้ราวังรักษากายนั้นดีแล้ว ดีแล้วที่ระวังรักษากายถ้าระวังรักษาพ่ดีจะเกิ ด, ดาบาปอกุศลคืออภิชาและโทมนัตชอบกรรได้ถ้าวังรักษากายนั่นดีแล้วได้แล้วในการระวังรักษากายมานาจะสังวโรสาโุสาธุมานาจะสังวโร รักษาใจนั่นดีแล้วดีแล้วที่ท่านระวังรักษาใจถ้าระวังรักษาไม่ดีจะเกิดบาปอาโกทนเพื่ออภิชาและโทมนัสชอบกรามได้ระวังรักษาใจนั่นดีแล้วดีแล้วในการระวังรักษาใจนี่เป็นธรรม ที่พระพุทธเจ้าทรงอนโมธนาว่าที่แล้วภิกษุทั้งหลายนี่เป็นสติของพวกเธอนี่เป็นศีลของพวกเธอนี่เป็นอินทรีย์ของพวกเธอซึ่งการสํารวมระวังรักษาเช่นสังวรประทาน เพียรระวังรักษาบาปรับพ้องกันระวังรักษาไม่ให้บาปอาุสลคือพิชชาและโทมานัดตอบความได้พระพุทธองค์ระหัชท่านท่องชะเนติอย่างความพอใจให้บังเกิดวายะมติพยายาม วายาัยมาติย่อมพยายามพิธยังอารัปปติปลารบความเพียรจำมรเ ม, มือจิตตั้งปักขันนติปะทถางติประของจิตตั้งไว้่ายจงเพื่อไม่ให้บาปอากุตล น, นั้นเกิดขึ้นปางานะปะานเพียรปราหานบาปละบาปละอกอกุษล ที่เกิดขึ้นแล้วแม่ภายในจิตใจฉันทังชะเนติยังความพอใจให้บังเกิดวยายามติพยายามให้ต่อเนื่องเิืยังอารัปปติปลารบความเพียนอยู่สมาเสมอจิตตั้งประคันติพัฒนติประคองจิตตั้งวายให้ยจง ภาวนาประธานในปัสนาที่ชื่อว่าภาวนาภาวนาประธานเพียนให้กุศลที่ยังไม่เกิดให้กุศลนั้นเกิดขึ้นด้วยความพอใจด้วยความพยายามด้วยปรารบความเพียรพระคองใจตั้งวายให้จง อนุรั์คณาประทานเพียนระวังรักษาโกชนที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อมให้ดำรงให้คงที่ให้เต็มรอบให้เต็มบริีปูนไม่สอบไม่สูญจากโคชนภาวนาฉันทั้งจะเนติอย่างความพอใจให้บังเกิด วายปฏิพยายามให้ต่อเนื่องพิริยังอารักปตฏิปรารกความเพียรอยู่่สมเสมอจิตตั้งประคันติปะทถงอติพระของจิตตั้งวายง่จงในสมปทานที่หรืออิทธิบาทที่นีเป็นตัวภาวนาของวิปัสสนา วิปัสสนาคืออะไรวิปัสสนาคือปัญญาแจ้งปัญญาที่วิเศษแจ้งและต่างการสำรวมระวังทำให้เกิดทุดจหิตสามประการความที่จริงสุจริตข้อคงจะไม่ยากเกินไป แต่ทําไมยังมีคนโราทุจริตไม่ทุจริตเป็นเป็นจํานวนมากแม่ประเทศไทยของเราเป็นประเทศที่ประพุทธศาสนาจเจริญที่สุดในโลกแต่ไม่ได้ปฏิบัติตามธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อให้เกิดทุจริตสามประการกายสุจริต วายเคือคคำพูดที่ทุดจริตมาโนคือใจที่ทุจริตสุจริตทั้งสามประการนี้ทำไม่เกิดกุศลสิบประการซึ่งท่านทั้งหลายก็รู้ว่าทำคำสอนของพระธรรมาธรรมพุทธเจ้าซึ่งวงรากฐานของพระพุทธศาสนา คือต้องการให้ทุกคนมีกุศลกรรมบทสิบประการกุศลกรรมบทสิบประการนั่นคือกายกรรมสามประการไม่ขาดักด์ไม่ลักศัก์ไม่ประพฤติกิกในกามถ้าใครถือได้สามข้อนี้ชีวิต รับสมบัติตลดทึงคู่ครองก็ปลอดภัยเพราะทุกๆุกคนนี่ก็รู้ว่าชีวิตของใครผู้นั้นก็รักชีวิตของผู้นั้นเป็นการจัดระเบียบของสิทธิของสังคมเพื่อให้รู้จักรักของตนอย่างไรให้รักของผู้อื่นอย่างนั้นให้เก้ากาย ไม่ล่วงละเมิดทิดทธิไม่ฆ่าชีวิตไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามโลกนี้ก็คงจะเจริอีกมากเพราะท่านในสมัยพระเจ้าจักรพรรดิเศียรนี่จะบริสุดความบริสุดของศีลรเนี่ยเหมือนกับทุกคนได้จะติด ประดิสถานอยู่บนสวงสวรรค์ก็พ่อปานเพราะสมบัติของมนุษย์ก็ดีสมบัติของสวรรค์ก็ดีหรือนิพพานสมบัติก็ดีอยู่ที่เทีนห้าแผลการนี่คือกายกรรมที่จะมีความทุกข์ความสงบส่วนว่จิจกรรมที่เป็นกุศลที่สุดจะดิตฐี่ประการ หนึ่งไม่พูดคำหยาบไม่พูดคำโสโทเสียดไม่พูดคำเพ้อเจ้อไม่พูดชัตไม่พูดโสเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อทีประการนี้ถ้าจะพูดคำใดออกไปก็เป็นเรื่องจริงมีเหตุมีผลมีหลักฐานมีที่มามีที่อ้าง มีที่ปรากฏจริงพูดใดมีไววจีที่สุดเจหิตพูดสิ่งใดก็มีคนก็เชื่อพูดคำเดียวนีดังไปทั่วโลกแต่คนที่พูดไม่จริงพูดไปก็ไม่มีใครเข้าข้องพูดไปไอก็ไม่ดัง พูดไปไม่มีใครฟังไม่มีใครเชื่อพรานนั้นสุดจริตวายีสุดจริตทั้งสี่ประการนี้พุทธบริษัทควรที่จะกระทำให้มากคือสงบวายใจจาะได้เป็นศีลของผู้ปฏิบัติส่วนมโนกรรมสามไม่โลภอยากได้ไม่พยาบาทปองร้าย ให้เห็นผิดจากทำนองครองธรรมทศจริตทั้งสามประการจะเดินให้มากกระทําทให้มากให้จนชำนิชำนาญจนเกิดเป็นญาณทำทศจริตสามประการทําให้มากแล้วอะไรจะเกิดขึ้นเพื่อจะทําให้เกิด มหาสติปัฏฐานที่ท่านทั้งหลายถ้ามีท่านผู้ใดใครเขาถามว่าการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเอาอะไรเป็นหลักเป็นเกณท่านจงตอบด้วยความภาคภูมิใจด้วยความมั่นใจ ภาการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเอามาหาสติปัฏฐานสี่เป็นหลักเป็นเกลถ้าตอบอย่างอื่นไม่มีทางที่จะถูกเพราะที่ถูกต้องอย่างเดียวจเจริญวิปัสสนากรรมฐานเอาอะไรเป็นหลักเป็นเกลฑ์ต้องตอบว่าเอามาหาสติปัฏฐานสี่เป็นหลักเป็นเกล วิปัสนากรรมฐานคือกรรมฐานที่เป็นวิปัสนาคำว่าวิปัสนาหมายถึงอะไรซึ่งส่วนใหญ่พระท่านไม่ค่อยจะเทศเรื่องวิปัสนาวิปัสนาคืออะไรวิปัสนาญาณญาณที่นักเข้าในวิปัสนา มีเก้าประการหนึ่งพุทธยปยานุปัจนายานยานที่ตามเห็นความเกิดความดับของนามรูปสองพังคานุปัจนายานยานตามเห็นจำเพาะความดับ เด่นชัดขึ้นมาสามพยาตูปัดผ้านายานยานอันมองเห็นสังขารปรากฏเป็นของน่ากลัวส <c oughs> ยานที่คำหนึง่งเห็นโทษของสังขารห้าอิปิทายานยานคำหนึง่งถึงความเบื่อหน่ายหกมุจจิโตกัมมะยะตายานยาน อย่างรู้อ่านให้จะใข้จะพลนไปเสียจะพระติสังฆานุปัฏนานยานอย่างรู้พิจารณาทบทวนเพื่อจะหาทางออกข้าวเอ็ดแตด สั้งขารูปเอกขายานยานอันเป็นไปโดยความเป็นกลางต่อนามรูปเ้าสัจจานุโลมิกายานยานอันเป็นไปโดยควรแกการอย่างรู้ อริยทัตทั้งสี่ได่เคือวิปัสสนาญาณทั้งเก้าประการอารเจริญวิปัสสนาญาณให้เกิดวิปัสสนาญาณพระพุทธองค์ทรงจัดแก่ภิกษุทั้งหลายว่าดูกระภิกษุทั้งหลายเธอต้องจังใจฟังเธอต้องฟังให้ดีเราจะกล่าว ทิศโุรับพุทธทลของพระพุทธองค์แล้วพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าเอกายนูอายังพิกเวมัโคสัตตาดังวิทุธิยาโสกะปริเทวาดังยัมมติกามายะทุกขโทมานัสสานดังอัตถังคมายะทางนี้ เป็นทางไปอันเอกไปได้เฉพาะผู้เดียวไปในที่แห่งเดียวเพื่อความบริสุทธิ์บดจดแห่งเวเนยทัศทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงซึ่งความเศร้าโศกความร้องไห้ร่ำไร้ให้ดับไปซึ่งทุกข์และโทมนัด ทำเหล่านี้เป็นธรรมที่ถูกต้องเพื่อจะออกจากทุกข์นั่นคืออะไรนั่นคือมหาสติปัฏฐานสมหาสติปัฏฐานสีมีที่อย่างอะไรบ้างมหาสติปัฏฐานสีมีที่อย่างคือทิกศุในพระธรรมวินัยนิ พิจารณาเห็นกายได้กายเนืองเนืองอยู่อาตาปีเพียนเผากิเลสให้เ ร, าร่าร้อนสัมปชาโนรู้สึกตัวทั่วพร้อมสติมาตั้งสติให้มันพิไนยะโลกเกะอาพิจาโทมนัดสัง่ง ทาลายความยินดีความยินลายในโลกให้พินาศไปนี่คือหัวท่อของกายานุปัสการาเป็นอุเทศของของธรรมภิกษุในพระธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาเนืองเลืองอยู่ เือเป็นประจําเพียนโผลผลานกิเลสให้เราโรนสัมปชาญโนรู้สึกตัวทั่วพร้อมสติมาตั้งสติให้มันพิไนยะโลกเกอาภิจาโทมานตังท้งลายอาภิจาและโทมานตสในโลกให้พินาศไป นี่คืออุเทศของกะเวทนานุปัสนาตะปิปตานคือเป็นหัวข้อของเวทนาสามจิตตาจิตเตจิตตานุปัสสิพิหราติอาตาปิสัมปัญโนสติมาพิไยะโลเกอภิกาโทมนัสัง พิจารณาให้เห็นจิตในจิตเนืองเนืองอยู่มีความเพียรมีความรู้มีสติกำจัดความยินดีความยินร้ายในโลกให้พินาศไปนี่คือวัวข้าของจิตตานุปัสสนาเป็นอุเ ท, ทนธรรม ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้พิจาณาเห็นธรรมในธรรมเหลืองเหลืองอยู่หรือเป็นประจํามีความเปลี่ยนเป็นเครื่องเป่ากิเลสมีสัมปชัโนรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสติมาตั้งสติให้มันพิไนยะโลกเกออิจาโตมณตังถอนความยินดี ความบินรายออกจากใจให้หมดทั้งสี่ประการนี่เป็นปูเทศคือหัวท่อของธรรมแต่ละประการการที่เจริญพระกรรมฐานผู้ที่ตั้งใจปฏิบัติบูชาพระธรมาธรรมพุทธเจ้าผู้ประเสริฐต้องราสถาน ที่ควรปฏิบัติวิปัสสนาเป็นสถานที่อย่างไรคือต้องต้องรู้ <c oughs> สัปปายะคำว่าสัปปายะที่คือความสบายสถานที่ที่เป็นสัปปายะอาหารที่เป็นสัปปายะอาจารย์ที่เป็นสัปปายะ ธรรมที่เป็นสัพยะแต่ถ้ากล่าวถึงธรรมที่เป็นสัพยะที่พระพุทธเจ้าตัดว่าจะ <c oughs> ทำปีปัตนากรรมฐานเป็นที่สบายแห่งอารมณ์เป็นที่สบายแห่งจริตเพือถีอปฏิบัปธรรม ท่านผู้ใครในธรรมทาจิตไห้ว่างจากทุกอย่างที่ไม่ว่างคือสติที่เราดำรงอยู่เฉพาะหน้าที่พระองค์ทรงจัดว่าโตสโตอัดสะสะติ เธอย่อมมีสติหายใจเข้าโซต โ, โตพัดระสติเธอย่อมมีหายใจออกคือเรื่องเอ่นว่างให้หมดพระพุทธเจ้าจัดแก่ภิกษุทั้งหลายว่าดูกระพภิกษุทั้งหลายอานาปานาจติ เป็นทำรรเครื่องสงบรังับจากทั้งฐานทั้งปวงคําว่าทั้งขันคือทำรรที่เครื่องปรุงแต่งจิตปรุงแต่งกายปรุงแต่งวายชาและปรุงแต่งจิตถ้าเราต้องการได้สงบทำที่เยี่ยมที่สุดคืออานาปานสติพระพุทธเจ้าของเรา พระองค์จัสรูกับานาปานาตัตติเพียงอย่างเดียวขึ้นที่พระองค์ทรงจัตตรูถึงสิบหกขั้น1ิบหกการกานที่จะเิญอนาปานาตัตติต้องตั้งจิตอาทิตยสถานเพื่อตั้งให้แน่วแน่ให้กายสงบให้วายาสงบให้จิตสงบ และอบปฏิคือกิเลสสงบ <c oughs> โดยตั้งอธิษฐานว่าปะนิธานโตปัจชายะเทขังว่าอัศสันโตทีขังอัศสามาติประชานาติคืออันดับแรก ของการเจริญอนาปานาสติคือรวมจิตเข้ากับลมหายใจหายใจเข้าให้ยาวตามรูปการเคลื่อนไหวของลมหายใจไปทุกระยะพอสุดลมพวนพักลมพักจิตนิดหนึ่งเวลาหายใจออกยาว ตามรูการเคลื่อนไหวของลมให้จิตโลให้จิตตื่นให้สดชื่นให้เบิกบานไม่ต้องทองไม่ต้องนับไม่ต้องนึกไม่ต้องคิดทำจิตได้ว่างจากสัญญาทั้งปวงของโลกทำสัญญาจิตได้เป็นหนึ่งที่ลมหมายใจ เธอจงอาทิตสถานจิตทำจิตให้ว่างเพื่อละความสับสนอันเป็นภายในของจิตเพราะละความสับสนอันเป็นภายในนั้นทำให้จิตตั้งมั่นดำรงคงที่เป็นธรรมเอกพจนขึ้นพิุรูกนัณาแหล จะเป็นผู้พิจารณาเห็นวิปัสนาญาณที่เป็นขั้นที่หนึ่งพือหายใจเข้ายาวออกยาวผู้ปฏิบัติต้องตั้งจิตเราจะกำหนดลมหายใจอย่างน้อยสองชั่วโมงให้ต่อเนื่องเพราะลมหายใจเป็นกายส่วนหนึ่งของกายทั้งหลาย เพื่อของกายทั้งหมดพิจารณาเห็นกายในกายส่วนเดียวให้ชัดเจนส่วนที่สองพระองค์ทรงจัดว่ารัสสังวาปัชสัสันโตรัสสังปัสาสัมมติประชานาติเมื่อหายใจเข้าสั้น ให้รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นคำว่ารู้ชัดที่ไม่ใช่แคะเพาะรู้แต่ลมหายใจอย่างเดียวจะรู้ชัดไปถึงรูปถึงนามถึงความเกิดความเตอมหือความเกิดความดับเพราะเวลาหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นลมหายใจจะขัดขัด หายใจจะไม่อิ่มหายใจจะไม่ทั่วท้องเรื่องทั้งหลายจะเรอไปหมดวันเจียวิวเวียนเหมือนคนใกล้จะเป็นลมผู้ปฏิบัติอย่าหวั่นไหวอย่าอย่าคลายความเพียรต้องตั้งอธิษฐานจิตเป็นอย่างไรเป็นไปคือพระพุทธองค์จัดทั้นๆว่าตันจะ ภาชานาติเปิดขึ้นด้วยประการใดไม่รู้ประการนั้นไม่ต้องคลายความเพียรไม่ต้องทอไม่ต้องถอยเพราะธรรมชาติของจิตที่เยอยังลงในสมาธิคือหายใจคัดคัดจิตเนื่องเก็บลมวายจะเต็มแล้วเมื่อเราอัดลมเข้าในรูปโป่งพอใกล้จะเต็มมันจะมีการดันข้างออข้างนอกจะเต็บวายจะพาะพอดี จิตจะยังลงในสมาธิคล้ายจะลงเรียกว่าอุปไปจาะธรรมธิคล้ายจะถึงสมาธิธิสมาธินี่เป็นอัปปะมารสรรมธิหมายถึงจิตแน่วแน่จิตตั้งมัน่นไม่มีนิมิตอื่นใดเพราะละทุกละทุกดับโธ ม, มานัตดับโธ ม, มานัส ในการก่อนก่อนได้แผ่นเนตให้มีผูเบคาอบรมสติอบรมสัมปชัญญะให้บริบูรณ์เวลาจะออกมาจากสมาธิจะได้ทำสมาธิในวิปัสสนาญาณที่พระท่านเทศวิยโยมเมื่อจิตมีสมาธิจงยกสมาธิ เพื่นสูพระใจหลักยอมก็ฟังตามที่พระเทพแต่ไม่รู้จะย ก, กจิตอย่างไรเห็นพระใจลักษได้อย่างไรถ้านึกเอาไม่ก็เป็นวิปัสสนึกไม่ได้เป็นวิปัสนาถ้าคิดเอาไม่ก็เป็นวิปัสคิดก็ไม่เป็นวิปัสนาถ้านึกเอาเดาเอาเป็นวิปัสสนึกวิปัสนาเดาไม่เกิดวิปัสนา เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าภาพพวกเธอต้องฉลาดในการเข้าสมาธิท้องฉลาดในการอยู่ในสมาธิท้องฉลาดในการอาธิตสถานสมาธิท้องฉลาดในการออกสมาธิฉลาดในการออกสมาธิเนี่ยเป็นการยกจิตขึ้นถูกประกายหลักเพราะเวลาจะคลายจากสมาธิ ลมหายใจจะเริ่มหายใจออกถ้าอยู่ในอัปปานาสมาธิลมหายใจก็สงบจิตก็สงบจิตก็เป็นกลางแต่เวลาออกจากสมาธิให้มาจับที่ตัวปัญญาตัวปัญญานันคืออะไรพิธีจะยกจิตคือเรายกส่วนใดส่วนหนึ่งของกายเช่น กำมือเข้าหรือแบมือออกก็เป็นการย ก, กจิตคือการคู่แขนเข้าการเหยียดแขนออกก็เป็นการยกสมาธิจิตขึ้นสู่พระใจหลักออกประการหนึ่งสพรพพกายะปฏิสั่งเวทีหัชสิทตสามีติสิทธิเธอย่อมศึกษาคือเธอย่อมปฏิบัติ กรรมาฐานด้วยหายใจเข้ารูกายทางปวงเด้วยการหายใจออกรูกายทางปวงกายที่เรามีอยู่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้เราไม่ได้รู้จักความเป็นจริงถ้าไม่ได้เกิดวิปัสสนาญาณก็จะไม่เข้าใจว่ากายของคนเรา มีกี่ส่วนเราจะเพียงเข้าใจว่ากายของคนเรานี้ประกอบด้วยอาการสามทิสองส่วนเพียงเท่านั้นแต่ถ้าเวลาเราเดินลหมหายใจทำหายใจก็จะทะลุทะลวงไปทุกส่วนของร่างกายตั้งแต่ผมเป็นต้นไปเช่นเปษาผมโลมาขนหนัาขาและเป็นต้น ตลอดถึงถ้งธาตุดินยี่สิบประการธาตุนาำสิบสองประการแผนอาการสามสิบสองธาตุไฟสี่ประการไฟยังกายให้อบอุ่นไฟยังกายให้เล่าร้อนไฟยังกายให้ทุตโธมไฟที่เผาอาหารให้ย่อยตัวสติก็จะเดินไปตามกระแสลมกระแสของอนาปานนักสติ จะลึกไปแต่ละส่วนแต่ละถ่ ว, ถวพอจบธาตุธาตุไฟจะไปถึงธาตุลมลมขึ้นเบื้องบนลมลมเบื้องต่ำลมในท้องลมในลำไส้ลมพัดไปในร่างกายลมไายใจอานาปาณาสติจะเดินไปทั่วรอบโลห์ของกายทั้งหมดสี่สิบสองประการ ทั้งสะอาดและไม่สอาดทั้งสวยและไม่สวยทั้งปฏิปูลและไม่ปฏิปูลก็ตามต้องละต้องวางทั้งหมดเมื่อละวางอยากส่วนที่เป็นรูปธรรมเป็นรูปกรรมฐาน่ากเกิดวิปัสนาญาณขึ้นในอาการสี่สิบสองเพื่อเห็นความเกิด เห็นความเสื่อมทั้งเปิดทั้งเสื่อมตลอดไปไปตามลำดับและพระติลมกลับเกิดพร้อมดับพร้อมกันทั้ง4ี่สิบสงประการจึีงจะถอนสักกายะทิฐิคือความยึดมั่นถือมั่นว่าร่างกายเป็นตนเนีเพราะเราไม่ได้รู้ด้วยสติสำไปจัญญะ ไม่ได้รู้ด้วยสติด้วยปัญญาเพราะยังไม่เคยเจริญมีปัส น, กนากรรมฐานหรือไม่เจริญมหาสติปัฐานสี่พิถีเวลารู้กายทั้งหมดแล้วพระองค์รงรัดว่า <c oughs> เธอจงละกายทั้งหมดหายใจเข้า แทจังละกายทั้งหมดหายใจออกปัดซ้ำพยังกายะสั้างคารังอัศสิทิสมาธิทิกติแทย่อมละกายทั้งปวงหายใจเข้าแท้จังละกายทั้งปวงหายใจออกที่จบของปภ ะ, ะกายานุปัสนาในอนาปานระติ เกิดวิปัสสนาอย่างไรกิวิปัสสนาต้องแบ่งกายนี่อกเป็นสามส่วนคือส่วนสามที่พระองค์จัดว่าพัจัรปังว่ากายเยกายานุปสิวิงรติดังนี้พิจะนาเห็นกายในกายเป็นภายในอย่าคิดว่าเป็นอะไรนะที่เป็นส่วนหนึ่ง พังหิตทาวารกายเยกา ย, ยานุปัตติวิงรติทิจณาเห็นกายในยกายเป็นภายนอกไม่ใช่นอกกายแต่ที่กายนอกกายของธาตุสีอัจฉรพังหิตทวารกายเยกายานุปัตติวิงรติทิจนาเห็นกายในยกาย ทั้งภายในทั้งภายนอกพร้อมกันถามว่าเกิดวิปัสสนาญาณหรือยังต่อไปยังไม่เกิดวิปัสสนาเพราะเพียงแบ่งกายในอกเป็นสามส่วนให้รู้ว่ากายในกายนอกเป็นอย่างไรไม่ใช่ว่ากายเยเป็นกายในกา ย, ยาเป็นกายนอกคำว่ากายกายนอกพระพุทธองค์ ตรงหมายถึงกายที่เราสุดมัน่นถือมั่นเป็นอุปทปานว่าเป็นกายตัวเราเองส่วนกายในได้แก่เบญญาขันไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไ ม, ไ, มไม่ใช่ธาตุภายนอกเบญญาขันอยู่ในยานรรยาเนเห็นเป็นปรมัตตธรรมไม่มีสมมุติไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคล ไม่มีตัวตนไม่มีเราเขาา่วนที่เป็นเหตุของกายพระพุทธเจ้าจัดว่าทาทั้งหลายมีมาแต่เหตุถ้าจะดับก็ดับที่เหตุไม่ใช่ดับที่ผลพระโุทธะองค์จึงจัดเหตุของกายว่าสมบุทยะ ร, รัมมาโนปสิวาไายัตสมิงวินาติ พิจารณาให้เห็นเป็นธรรมชาติให้เห็นเป็นธรรมดาความเกิดขึ้นในกายบ้างที่คืออุทยพยานุปนาานัตสาญญาณญาณตามเห็นความเกิดความดับของนามรูปประการที่สองไวยะธรรมานุปตะไวยธรรมานุปเีวา ขายักจะมิงวิงาจติทิจนาเห็นเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาคือความเสื่อมในกายบ้างในโลกนี้ไม่มีทิ่งใดเกิดขึ้นแล้วจะคงที่มันจะเสื่อมอยู่ตลอดเวลาจะเห็นหรือไม่เห็นมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นเป็นอิทัปปัจจยตา คือมันเป็นอยู่อย่างนั้นหรือเป็นเช่นนั้นเองไม่มีสิ่งใดที่จะไม่เคลื่อนไหวไม่เปลี่ยนแปลงส่ว น, นที่สามที่เป็นวิปัสสนาสมุทยัยวยธรรมาโนปเสวะกาัจสมิงวิญราติทิจนาเห็นทั้งเกิดทั้งเสื่อม หนื่อยกายบ้างคือทั้งเกิดทั้งดับแห่งรูปนามเป็นพังคานุกปัจจนญาณตามเห็นความดับโดยเฉพาะชัดเจนขึ้นมา่าเห็นความเกิดเห็นความดับพิจารณาเห็นแล้วทั้งขารนี้ปรากฏเป็นของน่ากลัวคนเรามักจะเลิกจากการปฏิบัติวิปัสสนา เพราะตัวทั้งขานที่เป็นของน่ากลัวคอยล่อหลอกให้คนเรานี่กลัวเจ็บกลัวตายเลิกไม่ปฏิบัติพกรรมฐานที่มีค ส, ส่วนมากแ้าประการต่อมาเป็นพยาตูสุัปัจนายานเห็นเป็นภัยเกิดขึ้นเห็นหน้าความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นพระพุทธองค์จึงทรงจัดว่า อธิกายโติว่าพระนัสสติปจุปติตาโกติหรือสติว่ากายมีอยู่ทั้งวายเฉพาะหน้าเกิเท่นั้นอ น, นิจ <c oughs> ยาวะเทวญานามัตตา ย, ยานแต่สักวารู พาติมัตตปติสติมัตตายะมีสติแต่สักว่าอาศัยระลึกอานิสติโตจะวิงาสติเออจะไม่เข้าไปยึดถือเธอจะไม่เข้าไปยึดติดนะจะกินจิโลกเอยุปาทิยติจะไม่ยึดถือสิ่งใดๆๆทั้งปวงในโลกนี้ ที่ที่พระองค์ตรัสวา่าทางนี้ทางเดียวเป็นทางที่เป็นกลางหรือเป็นทางเอกไปได้เฉพาะผู้เดียวไปในที่แห่งเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดแห่งเวนยยั์ทั้งหลายเพื่อก้าล่วงซึ่งความเศร้าโศกความร้องไห้ ความทุกข์กายความทุกข์ใจให้ดับไปซึ่งทุกข์และโทมนัดนี่คือทำที่ถูกต้องทำเพื่อออกจากทุกข์ดังที่กล่าวมาว่าการเจริญวิปัสสนาเอามหาสติปัฏฐานสี่ภาสติปัฏฐานสูตรเป็นหลักเป็นเกนแล้วคำว่าวิปัสสนา พิปัชนายานประกอบพอยานเก้าประการดังที่ได้แสดงมาก็สมควรเก๊ะเวลาเหมาะสมกับสับทาที่ท่านทั้งหลายตั้งใจฟังอาเเอวังก็มีด้วยประการะชนี